อนัตตาทั้งหลายรวมลงอยู่ที่ใจอันนี้จังทั้งหลายก็รวมลงอยู่ที่ใจทุกทั้งหลายก็รวมลงอยู่ที่ใจไม่ทุกไม่สุขก็รวมลงอยู่ที่ใจผู้ยึดมั่นถือมั่นก็รวมลงอยู่ที่ใจเพราะความหลงไปอาศัยใจอยู่ถ้าไม่มีเหล็กก็ไม่มีสนิมถ้าไม่มีสนิมก็ไม่มีเหล็กเหล็กดีไม่มีสนิม สติปัญญาดีก็ไม่มีกิเลสเข้าไปยึดถือก็เป็นสติปัญญาล้วนๆไม่มีกิเลสเข้าไปยึดถือเป็นผู้รู้ล้วนๆไม่มีกิเลสเข้าไปยึดถือเป็นใจล้วนๆไม่มีกิเลสเข้าไปยึดถือตามสมมติที่ว่าไกลๆทีนี้พอสมกวรแล้วใช่ไหมปฏิบัติเนอะทีนี้เราพิจารณา ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราพร้อขับลมหายใจเข้าออกไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราพ่อขับลมหายใจเข้าออกแทบเข้าไปเลยไปเห็นหลวงปู่มั่นมายืนตรงทำสังเวชแล้วก็เหาะไปหาใจเหาะคุกเข่าไปเลยน็มือไปน็มือคุกเข่าไปเลยเพราะท่านยืนอยู่ถ้าเราจะเหาะสูงก็ประมาณเหาะคุกเข่าไป พอเพียงบั้นเอวของท่านหัวเนี่ยหัวเราพอไปพอไปถึงไปถึงองค์ท่านก็พยุงลงก็ พ, อพอยุงลงเพียงเท่านก็เงี้ยนดูหน้าแค่กระปาลกอันนั้นอ น, นี้ให้ฟังเอาไหมย่ามเอาไหมไม่ไม่เอายามอันนี้ก็ไม่เอาเพราะเป็นย่ามของพระอายการให้ เอาเอายามสักไ ม, ไม่ไม่เอาอเขาไปย่าของท่านอาจารย์ให้มันก็เกี่ยวกับเรื่องการข้อวัดแต่พอจิตของเราถอนออกมันก็มาเห็นลรเข้าแล้วออกไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอยู่ตามเดิมนั่น น, น, น, นัอันนี้มันก็เป็นสังขารเหมือนกันไม่ใช่พนันธ์พานคนทั้งหลายไปเห็นดวงเห็นอันนี่นไปยึดถือเอาตายคานั่นก็ไป เป็นเกิดเป็นพรหมโลกสิ่งเหล่านี้มันเกิดดับเป็นหมดนี่ยในใตโลกธาตุเกิดดับเป็นหมดแต่ผู้รู้ก็ยังเกิดดับเป็นภาวนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราพ่อกับลมหายใจเข้าออกจิตเป็นได้สักว่าจิตผู้รู้เป็นแต่สักว่ารู้ลมหายใจเข้าออกก็เป็นแต่สักว่าลมผู้รู้ก็เป็นแต่สักว่าผู้รู้อันนี้จังก็เป็นแต่สักว่าอันนี้จังเกิดดับก็เป็นแต่สักว่าเกิดดับไม่ใช่ว่าสังขารก็จะเป็นของเรา พระเนยปานก็จะเอาสังขารก็จะเอาเออถ้าเราไม่กรรมเราก็ไม่วางสมควรว่าวางเรากรรมหรือเราจะวางถ้าเราไม่มีเวที่ในที่นั่นเราจะสําคัญว่าเรากำเราวางอะไร อ, อตามเข้าไปตามเข้าไปเราไม่มีของเราไม่มีแล้วจะสําคัญตัวทําอะไรอีกนั่นั่ น, น, นถ้าจะสําคัญตัวว่าศูนย์ก็ไม่ถูกอีกเหมือนกั น, น, นใครเป็นเจ้าของศูนย์นั่น ถ้าจะยญญญญญืนยันว่าศูนย์เป็นเราเราเป็นศูนย์มันก็ไม่ถูกถ้าจะยญญญญืนยันว่าพระนิพพานเป็นเราเราเป็นพระนิพพานมันก็ไม่ถูกถ้าจะจยญญญืนยันว่าสังขารเป็นเราเราเป็นสังขารก็ไม่ถูกคือเป็นธรรมะอันละเอียดพนระพุทธศาสนาเทศสูงสุดขนาดนี้เท่านั้นเทศไปอีกไม่ได้เทศเรื่องอนัตตาเท่านั้นสูงสุดใครจะรู้ก็เป็นเรื่องของผู้รู้ ตามเป็นจริงเป็นมหาสันทิศที่โกมหาสันทิศที่โกจะไปจบกันที่นี่ปัจจตังก็เหมือนกันสัมมาญาณก็เหมือนกันจะไปจบกันที่นี่ไม่ใช่มิจฉาญาณมิจฉาวิมุตก็จะไปจบกันที่นี่ไม่ไม่สัมมาวิมุตตก็จะไปจบกันในที่นี่ไม่ใช่มิจฉาวิมุตตไม่ใช่มิจฉาญาณพุทธศาสนาก็ต้องไปจบกันที่ ถ้าไม่มีผู้ไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของไวไม่มีกิเลสมันก็ไปจบกันที่นี้ถ้ายังมีกิเลสอยู่มันก็ไม่จบแล้วก็นึกแปลกเหมือนกันผู้ที่สําคัญตัวเป็นพระรหันหน้าเบื่อแล้วเกินเราเคยโลภมันไม่โลภเราเคยโกรธมันไม่โกรธเราเคยหลงมันไม่หลงมันก็เป็นพระรหันเท่านั้นอจะรู้แต่ฉลบสับเพียงใดก็ตามถ้ายังมีโลภมีโกรธมีหลงอยู่มันก็ไม่ใช่พระรหัน มันก็ปว ด, ดง่ายง่ายเราไม่มีเงินสักตังจะให้เขายุให้เป็นเศรษฐีดอกเป็นว่าดอกหรือขน่ดอะูไห <c oughs> เอาละหน้าที่นี้นะ <c oughs> ทำฝ่ายเกิดฝ่ายดับก็ไม่มีเอวังทำฝ่ายไม่เกิดไม่ดับก็ไม่มีเอวังก็ไม่มีนิธิตังนิธิตัง แปลว่าจบเท่านี้ไม ing, ไ่จบเลยทำไฟเกิดไฟดับก็เกิดก็ดับอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนทำายไม่เกิดไม่ดับก็ไม่เกิดไม่ดับอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนไม่มีทำอะไรลงธรรมาะเราเทศเนี่ยสมมุติว่าลงธรรมะสมมุติว่าเอวังสมมุติว่าหยุดเพียงเท่านี้ส่วนทำทั้งหลายไม่มีเอวังเลยเมื่อเทศเอาตังใครเลยความเปื่อยความเน่าก็เปื่อยเน่าอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืน่ะเอธาตุดินที่สมมุติ เป็นที่เป็นของแข็งก็เป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลงคืนท่ายเกิดฝ่ายดับก็เกิดก็ดับอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนทำไฟไม่เกิดไม่ดับก็ไม่เกิดไม่ดับอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนใครจะรู้ตามเป็นจริงใครจะไม่รู้ตามมันจริงส่วนธรรมอันเป็นของว่าก็ว่างอยู่ไม่มีกลางวันกลคืนใครจะรู้ตามเป็นจริงหรือไม่รู้ตามเป็นจริงก็เป็นเรื่องของกิเลสผู้นั้นเท่านั้นจริงทั้งปวงมันไม่ใช่กิเลสมันเป็นจริงอยู่ทํำไยเกิดฝ่ายดับก็ไม่ใช่กิเลส ทำฝ่าย ไ, ไม่เกิดไม่หลับก็ไม่ใช่กิเลสแต่ว่ากิเลสไปหลงไปยึดไปถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลใช่ไหมเอาละทีนี้คนตัวตนเราเขาเป็นเพียงกิจตาทุัศสนาเหตุฉะนั้นจึงบัญญัติว่ารูปคิดเจตสิกนิพพานเาสิตาที่ว่าคุนหนูย้อมันทีแม้นบอกอันพระนิพพานที่ว่าบัญญัติไว้ใจอยู่พระนิพพานไายยึดตายยากเอาใจไปถึงแต่เท่าแม่นว่า เขาสีตายเนี่ยทมามันยุดยัดว่าคุณหูคขุหนหัอยู่มันถึงวะแม่นว่ามันก็เป็นไปอันอื่นแล้ว <c oughs> ว่ามะคตเป็นไทยถ้าว่าว่ามะคตเป็นมะคธเนานาชีใส่ไม่โทร <c oughs> ปฏิบัติเพื่อคนทุกปัญหามาหลายเด้อปฏิบัติเพื่อ อ, อื่นปัญหาหลายแล้ว เพื่อขี่ว่านบินทบาทเสนาชนะและเพศัสขันเฒ่าปฏิวัติเพื่อคนทุกมันกาแปลว่าอุดมคติอุดมคติเป็นหัวจักมันดึงวัตถุนี้ก็มปล่อน้ำตัดอาโรดข้าบวชเพื่อคนทุก์มีเกตนาเท่านั้นเพื่ออื่นสิเหลืออใช้่าเหลือมใชออมใช้มันก็เป็นชิตของเพิ่น ผู้อื่นชิมมกินมาท่านนำเหาหรือบมาก็เป็นชิดทองเพิ่นบะมันชิต้องเหาชิดทองเหาม่อนาที่สรปฏิบัติเพลเพิ่นถูกเท่านั้นเทาเมืาทีไปบินท่าบาทเท่ากับไผชิดทองเหาชีคว้นหพกคว้นหาเป็นชิดของผู้อื่นขันเราันี่นะก็จัสีบอกจังไรไปอีกแล้วเนาะมันก็วุ้วันจัเบอกเลมันมืดเอารถ ว่าเรื่องนแล้วกทจะเจ้าเพ่นว่าเพศษูตทั้งหลายเธอจะไปไหนอยู่ไหนก็ไปเพื่อปฏิบัติทุนทุกอยู่เพื่อปฏิบัติทุนทุกถ้าเราไปในทางทิศนั้นมันจะมีลาบเธอทั้งหลายอย่าไปสมาธิสมาบัติไม่เจริญถ้าเราอยู่ในที่นี้ลาบยศเทะเสริญจะเกิดขึ้นเธอทั้งหลายก็อย่าอยู่ เธอทา้งหนก็อยากคิดไปอย่างนั้นจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ตามเถิดจะปฏิบัติเพื่อพ้นทุกในวัฏฏ์สงสารตามสติกําลังของตนอยากไปก็จงไปเถิดอยากอยู่ก็จงอยู่เถิดอาบทุกกฎในส่วนนี้ไม่มีแล้วพระรมศาสน า, ษาแต่ถ้าทำผิดอันอื่นมันก็มีอีกบรรกันแต่ในอาบทุกกส่วนนี้ไม่มีท่านดานูนนพูดเจ็บไหมพระบรมศาสนาปฏิบัติเพื่อพ้นทุก อยากไปก็จงไปเถิดอยากอยู่ก็จงอยู่เถิดจะอยู่จนวันตายก็ไม่เป็นปัญหาขอให้ตั้งใจเพื่อปฏิบัติเพื่อคนทุกเท่านั้นจะไปจนวันตายก็ไม่เป็นปัญหาถ้ากูไปอยู่ทางนั่นกูไปอยู่ทางนี้มันจะไมีร่าเมยยศเนี่ย อ, อันนั้นไม่ควรไม่เจอไม่เจอสติปัญญาไม่เจอสมาธิไม่เจอปัญญาอันแท้อันแท้ได้แต่สมาธิ อันป ร, ปรองหรือปัญญาอันป ร, ปรองปัญญาไม่ชําแหละกิเลสสมาธิไม่ชําแหละกิเลสถ้าเป็นปัญญาแท้ก็ชําแหละกิเลสมันไม่มีมากถ้าเราทําให้มากมันก็มากนี่ถ้าเราพิจารณาแล้วอจะทําให้มากก็ไม่สงสัยในมากจะทําให้น้อยก็ไม่ตรงใส่ในน้อย เราไปดูหนังสือครูบาอาจารย์แต่งเราไม่สงสัยคำสอนพระพุทธศาสนาเราดูว่าครูบาอาจารย์องค์นี้ท่านขยายออกขนาดไหนท่านย่อนเข้ามาขนาดใดเท่านั้นท่านมีปฏิภานโลหารเพียงใดเท่านั้นหนังสือในพระไตรปิฎกเราก็ไม่สงสัยอีกด้วยคำพีนี้ท่านอธิบายยาวขนาดไหน กว้างขนาดใดเท่านั้นถ้าอธิบายมากก็เรียกว่าทีขวัตหรือมหาวัตถ้าอธิบายขนาดกลางก็เรียกว่ามัธยิมาวัตถ้าอธิบายสั้นก็เรียกว่าจุลวัตหรือเอกวัตเราก็ไม่สงสัยคำเพียงไหนๆเราก็ไม่สงสัยจะอธิบายมากเราก็ไม่สงสัยจะอธิบายสั้นเราก็ได้ไม่สงสัยไม่คัดค้านเลย แนมโอตัวเดียวเราก็ไม่สงสัยขยายออกก็ไม่สงสัยย่นเข้ามาก็ไม่สงสัยเชือกเส้นเดียวขึงยาวเหยียดไปก็ไม่สงสัยโค้งเข้ามาจนเต็มแผ่นผ้าแผ่นดินก็ไม่สงสัยผูนะ้ไปทอะไปทอดกับไปเทียอายุพูกเราว่าเรียนยุโรไอ้เสวมแล้วเนาะไปเอาแล้วเนาะวันนี้เนาะ สั่นปฐมสองตะกียบว่ามันของคอยนปะปฐมสองนาฏการที่หกตะเกียจีนคนหนึ่งขายผ้าแปดกุลีต่อสี่รอยแปดบาทจีนคนนั้นขายผ้าห้ากุลีจะให้เงินเขาเท่าใดเลขคณิตได้หนิเลขคณิตได้หนิจีนคนหนึ่งขายผ้าแปดกุลีต่อสี่ร้อยแปดบาท จีนคนนั crowd, you, have, want, continue, <laughs> ้นขายผ้าห้ากุลีจะให้เงินเขาเท่าใดสี่ร้อยแปดบาทหากุลีหนึ่งกุรีหนึ่งสกอแลนวบอกแปดกุลีต่อสี่ร้อยแปดบาทสี่รอยแปดแปดกุรีสี่ร้อยแปดแปดหาที่บน่ะปดเน่งมกแปดน่ะกุลีหนึ่งก็เพียหาที่บาทนี่ฮะหากุลีให้เงินเขาเท่าไรเอาหาไปกู้นหาที่แมันก็หกันตัวเออ เรียกคณิตนได้เนี่ยเรียกในใจเด้เนี่ยเออว่าเลียกในใจเท้าไห่ทีนี่วายากรกับเมย์เนี่ยสัปทมหอะ่ะจงหาชื่อผู้ทรรํำกิริยาชื่อผู้ถูกมาให้ฟังสักคําว่าแมวสีเทากินน้ําแมวเป็นคําชื่อสีเทาเป็นคําคูนกินเป็นคํากิริยานา้ําชื่อผู้ถูก แม่เขาคอยบอกสามัคคีนึง เ, เ, เรียกสรรกันแสงบรรหารบรรจบบรรลือ บ, อนนบรรเลงอนุพันธ์สาพระขันสวรรค์อัจฉริย์ผิวพันเมืองสุพรรณไมคขันใจชะกันทศชะกันจะเขียนมาให้มาถือผมรู้เลยสามัคคีนึเลยเนี่ยมนันแม่เขง่ายๆบ่ะเจเก เงินเหรียญทำที่รองกระสาบกิดที่สั์ข่าวเขาเล่าเรือโรงกระสาบแต่หนังสือมันไม่ขึ้เขาได้เสมอมันเปลี่ยนใหม่คำว่าโจดจำเลยมันโจดทยะได้ตะเกียบ ว, ว่ามันโจดตะกอไกัลลัได้ตะเกียบพิษศาสตร์อาหารสมโพดกฎหมายคําพูดรถไฟบทกรบทบาทพยาบาทของเมยรถพระทรงสเสด็จมุ่งเนี่ยเยชื่อในวัตถุบนสมัยอ่า ประวัติศาสตร์ผุดหุ่นนำกวางใสกวางสีจวงนางของเบ่งยกกองทัพไปตีเมืองเสสวนกวางใสกวางสีว่ะแม่ก็คอยบอกแม่มมม ก, ก็คอยว่าเจคีอย่างนายเทียนไปในเมืองแล้วไงเกีีมูชิบสองเขายัางได้อยู่ได้สมือนนี สมัทโมหนึงน่งสมัทโมหนึ่งได้ประเทศไทยมีกี่มีมีกี่บอลทนมีสิบแปดบลทนไล่มาให้ดูหรูหนึ่งกรุงเทพสองอยุธยาสามนครสวรรค์สี่พิษณุโลก 5. ้าากินบุรีนครราชสีมา เจนค ร, รชัยศรีแปดราชบุรีเก้าจันทบรรุรีชิฟอวันราดธานีชิฟเอดร้อยเอ็ดชิฟสองอุดรชิฟสามพายับเชียงใหม่ชิสี่ธุราชิฟห้านครศรีธรรมราชชิฟหกภูเจ็ดชิฟเจ็ดมหาราชชิฟแปดปัตตานีตัวฝังตะวันตกของแหลมมลายูมีเกาะคือ หนึ่งเกาะภูเก็ตสองเกาะยาวใหญ่สามเกาะยาวน้อยสี่เกาะลังกาลีวีนอกจากเกาะเหล่านี้ยังมีเกาะอื่นๆอีกมากกันตัวเมื่อก็คอยว่าในสมัยวันทุนเนี่ยจะเก๋สมัยวันทุนเน่ยแม่จะบรรยัติสุขไม่เป็นก็ตาม จะบยัติสุขทุกข์ไม่เป็นก็าตามแต่ความหวงอิทธิพลของตัวหวงชีวิตของตัวนั้นเป็นชั้นที่หนึ่งพระเก่งอันตรายจะมาทําชีวิตรักชีวิตของตนนั่นเองยิ่งกว่าอันอื่นนี่ถึงจะป่วยลงดื่มน้าไม่ได้ก็ยังพยายามอยู่รักชั้นที่หนึ่งคือรักชีวิต งูเลื่อยเข้ามานี่ยดูดูเนี่ยยังไม่ทันเลยดึงเอาแขนเด็กอะงูตัวโตๆหรือตัวเล็กๆประดีเข้ามาในนี่ผ่านคอเข้ามาในนี่วิ่งกันอุตลุดเลยใช่ไหมออก mm. ไปนี่ไม่ได้ดึงแขนคนอื่นนะเพราะรักชีวิตตนใช่ไหมเหตุนั้นจึงมีหลักปานาติบาตอยู่เบื้องต้นสี่ห้า เป็นศีลที่วางเวยนวางภัยจึงมีประจำโลกอยู่จะเว้นไม่ได้พระพุทธเจ้าองค์ไหนมาก็มาเทศอันเก่าไ ม, ม่เทศอันใหม่เลยพระพุทธเจ้าเป็นสันเิภาพสอนโลกจึงทรงพระนามาโรกะวิถุใครจะเทศเก่งสักเพียงใดก็ตามก็ไม่เหนือพระบระมา ศ, ศาสดาเลยใครจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สักเพียงใดก็ตามก็ไม่เหนือพระสม า, สาชัสนุทเทเจ้าไหวได้ปุติสาธรรมสาร์ิกฝึกตุนดีแล้วจึงไปฝึกผู้อื่นจึงไม่เดือดร้อนในภายหลังพะโลมศาสราสัทชเทวมนุษย์ชาลังเป็นผู้สอนของเทวราเทวมนุษย์ทาาย้าวอ้ายคำสอนของพะรลมศาสราสัทถังสพยันชนังเทวรัฟริปุนังอริสุทธังพรหมจรยังประกาศเสสิ บริบูรณ์แล้วทั้งอัฐิทั้งพยัญชนะโลกวิถูอนุตตรผริารศาสธรรมสาระิศสัจธาเทวมนุสสารเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายยอมตัวเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเต็มภูมิแลว้วเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจะยอมเอาเป็นสรณะหรือไม่ยอมเอาเป็นสาระก็ตามแต่ทรงพระมหากรุณาดังสาคอ โดมูประชากรมรอกขะกันดาลชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี่สุขเกษมสารชี้ทางพระนรุพานอันพ้นโศกวิโยภัยพ่อมเบนปะปิจจักสุดจริตวิมลใสเห็นเหตุเที่ยงกลยก็เจนจบประจับจริงกำจัดน้ำใจยากสันดานบาแห่งชายหญิงสัตว์โลกได้พึ่งพิงมรรบาป บ, บำเพ็งงญม ข้าขอพระนบน้อมด้วยเสียงก้าววังคมคุณสัมพุทธกาลุนตลอดกาล <c oughs> มามีแล้วใครเก่งสักเพียงไนก็ตามก็ไม่เหมือนพระสมาสัพุทธเจ้าพระพสมาสัพุทธเจ้าสอนหมดแล้วมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัตินิพพานสมบัติเป็นทีวแถวไปเป็นระดับไปไม่สอนรัด ตัดรัดให้ขาดความอ้างเหตุผลแนะนําให้ผู้ฟังเข้าใจตั้งคิดเมตตาปัถนะให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังเพราะเ ร, ราไม่ศาสนาพระองค์เดียวเท่านั้นนะจําพวกเดียวไม่ใช่พระองค์เดียวจะมาจีรละราชพระองค์ก็ามาสั่งสอนอันเดียวกันเลยไม่ได้รบราค อ, อ, อร์บอกันเลยไม่เหมือนชาวโลกนักโมบางต้นก็ให้นัมโมให้เคารพนอ้นอม ทำดีความดีเคารพความดี <ừ. S 1> เว้นความชั่ว ค, ความชั่วก็เคารพเหมือนกันพระไม่เขไม่ล่วงละเมิดก็เรียกว่าเคารพความดีพระสร้างขึ้นก็เ ร, รียกวา่าเคารพทั้งสองทาง น, นโมเคารพทั้งความชั่วพระไม่พยายามไม่ล่วงละเมิดพยายามให้ทำดีให้เกิดขึ้นอานุเอมเท่านั้นเอ็มเท่านี้เป็นเครื่องปกครองโลกความเมตตาภาณีและ กลับาปเจงจับปกครองโลกู่พระบรมศาสดาถ้าไม่มีความละอายตาบาบไม่มีความกลัวตาบาบแล้วมันก็ไปร่วงละเมิดศีลห้าใช่ไหมทุกวันนี้คนละมานู่ทุกอย่างยากกับพระร่วงละเมิดศีลห้าใช่ไหมกฎหมายจะตั้งไปกี่ล้านล้านมันก็ไม่อยู่ถ้าไม่เคารพศีลห้ามันเห็นคุณกันอย่างนี้ เห็นเหตเห็นผลกันอย่างนี้วัดน้อ่นรรานทุกดากวนีเว่เศรษเสวยทะเลน้ำตาทเทเทุกร่องห้ร่องห่งมก็คือออกกาศีหน้าใช่ไหมถ้าชาวโลกมีเช่นน้าแล้วสงครามก็ไม่มีตำรวจก็ไม่มีทหารก็ไม่มีเรือนจำก็ไม่มีเจ้าตรวนก็ไม่มีขายของก็ไม่ต้องเฝ้า คุณแจก็ไม่ต้องมีโรคเอดก็ไม่ต้องมีเพราะมันมีขอบเขตโรคมะม่วงผีมะม่วงมะมา่าแล้วก็น้องในน้องนอกก็ไม่มีใช่ไหมนั่น น, นั่นนอนก็ไม่สะดวงขเพราะไม่มีเวรอยู่เราข้างใช่ไหมขายของก็ไม่ต้องอเฝ้าอีกเลยด้วยอันนี้ราคาเท่านั้นอันนี้ราคาเท่านี้้เซื้อไร่ก็เอาเสื้อไม่ไร่ก็จําเป็น ก็พูดในระหว่างที่จะขายก็เอาไว้เป็นชิว้วแถวเขาเกรงว่าลมจะพัดหนีก็ เ, เอามาเขาก็เ อ, อะไรทับไว้เวลานั้นก็เอากระเป๋ามาเก็บเอาเก็บเอาเก็บเอาไม่ต้องเฝ้าหลังถ้ามีเส้นห้าในอาชินนาทาเมื่อไอ้โลกมันมีเส้นห้าแล้วจะตั้งคนหมายกี่ล้าล้านมันก็สําหรับเอาไปเผาไฟทิ้งเท่านั้น ถูกไว้นหละเอากันเท่านี้ก็พอเลยการตั้งกฎหมายก็หมู่ของชาวโลกไม่มองดูศีลห้ามันก็ไปไม่รอดโลกจะสงบหนึง่งละอายต่อบาปกลัวต่อบาปไม่ล่วงละเมิดศีลห้าไม่ล่วงละเมิดอบายมุกมุขะมุขะแปลว่าชิบหาอยู่เส้นหน้าเส้นปาก หรือเป็นปากเป็นทางแห่งความชิบหายปะปรามาดอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะรองระเบิดศีนาและอบายามุกใช่ไหมนั ด, นดมากเพราะรามาสสาตะบัญญัติเป็นลําดับไปแล้วเรียกว่ามนุษย์สมบัติถ้าล่วงละเมิดอบายามุกและศีนาก็มนุษย์ไม่บัตรก็รันไม่บัตรก็กลมไม่บัติก็นิพพานไม่บัตรอยู่ในตัวด้วยเหตุนั้น จึงยืนยันว่าศีเดนะสุขติงยันติจะมีสุขกัพระศีลสีเดนะโพคะสัมปทาจะมีพอคล้อมบัดอันบริบูรณ์กว่าเพราะศีลสีเดในนิพุติงยันติจะถึงพระนิพพานก็เพราะศีนทัศมาสีลังมิโซทะยเหตุนั่นเองจึงควรรักษาศีลสีลังโลกเกอนุตตรศีลเป็นเยี่ยมในโลกผู้ล่วงละเมิดศีลเป็นเยี่ยมในโลก ไม่มีในพระบาลีเลยนะศีลโลกีไม่ใช่อัธิโลกเกศีลโคโนอัธิแปลว่ามีอยู่ศีลมีอยู่ในโลกสัจจังโสเจยะนุทยาความสัตว์ก็มีอยู่ในโลกนะโลกอะไรโรคหัวใจนะพระพุทธเจ้ากี่และลามพระองค์ ก็มาสอนอันเดียวกันมาในรอบๆพรบรกันเลยจำมันสี่ยุกยุยุกยุกยุกยกก็มาสอนอันเดียวกันก่อนที่จะสร้างวารมีปฏิบัติเป็นพระพุทธเจ้าก็มาพุทธจริยาสามพุท ธ, ธะจริยาสร้างวาระมีเพื่อเป็นพระสมรัมมาพระพุทธเจ้าญาตถจริย า, ธธ เ, ยาเพื่อสงเคระาะห์ญา โรตัทธะจริยาเพื่อสงเคราะห์โลคมีอยู่สามข้อแม้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่แล้วก็ปฏิบัติอย่างนั้นจริงความประสงค์ก็ดีคิวความปรารถนาก็ดีก็มีความหมายอันเดียวกันแต่ชาวโลกชี่โอ้อขอบพระพุทธศาสานาไม่เต็มก็เลยไม่สนใจไปสัก ผู้ใดเลื่อมใสพระพุทธศาสนาผู้นั้นบารมีแก่กล้ามาแล้วผู้ใดยังไว้เลื่อมใสพระพุทธศาสนาผู้นั้นบารมียังอ่อนอยู่ทำไมจึงไม่มีผู้ถึงศาสนาหมดผู้ถึงศาสนาเพียงเขาโคเท่านั้นนอกรั้นเป็นขนโคก็มอบไว้ให้พระองค์เจ้าเสร็จแล้ว ปฏิเสธเข้าข้างตัวหรือไม่ไม่ในปฏิเสธเข้าข้างตัวถ้าพระธรรมไม่มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ทำได้เหตุนั้นเราจึงสามารถรู้ทำได้จึงบัญญัติธรรมถ้าทำไม่มีอยู่ก่อนเราก็บัญญัติไม่ได้อันนี้สัจสี่มีอยู่ก่อนทุกๆทุกสมัยทุกการทุกเวลาด้วยพระพุทธเจ้าองค์ไหนมาเป็นยุกยุทุกๆุ ห่างกันตั้งร้านร้านปีในเมืองมนุษย์ก็ตามถึงอย่างนั้นก็มีพมระสมัาพระพุทธเจ้ามากกว่าร้อยโกรธอิเชื่อด้วยจะมาในข้างหน้าก็ดีหรือล่วงไปแล้วก็ดีหรือจะมาในข้างหน้าก็ดีหรือล่วงไปในอดีตก็ดีมากกว่าร้อยโกรธจริงมีบารีว่าอันนี้กสตะโกตะอยไม่ไม่ว่าจเท่านั้นต่กับกับหนึ่งกับหนึ่งมีพระพุทธเจ้า กับนี่มีเป็นทักษัตกับมีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ถึงอย่างนั้นแต่กับก็อสงไขยอสงไขยเสียแล้วร่วงไปจะมาในข้างหน้าก็เหมือนกันนัดนั่นน น, น, น, น, น, น, นผู้ยินดีในคำสอนพระพุทธศาสนาเป็นผู้บา ร, รมีแก่กล้ามาแล้วผู้ไ ม, ม่ยินดีก็ตรงกันข้ามทำไมเมื่อแรงผู้เมื่อแรงพึ่ง จึงกินเกสรดอกไม้ทำไมเมื่อแรงวันจึงชอบโมดโคู ด, ดก็พระกรรมและผลของกรรมไม่อยู่ระดับเดียวกันจะทำยังไงก็ไม่ได้เหตุนั้นคำสอนพระพุทธศาสนาจึงมอบให้เจ้าของตัวเป็นผู้มีสิทธิ์สันทิกธิโกให้เห็นเองเถิดนะครับเกลือมันเค็มขนาดไหนเออเธอจงคิบดูหรือท่านจงก็บดูหรือคุณจงคีบดู ถ้าคดดลิบดูเลกลืนดูแล้วก็จะไม่สงสัยทําไมพระพุทธศาสนาจึงไม่จ้างให้คนมาเลื่อมใสเพราะให้เห็นเองถ้าไม่เห็นเองจ้างให้มาเลื่อมใสพอหมดตงังหมดสตามันก็ขอบรถคืนเพราะมันไม่เลื่อมใสเหตุ น, นั้นจึงให้มีสันติที่โกให้เห็นเองถือ สันทิทิโกพระโสดาวันสันทิทิโกพระจักกะทาคามีคือเห็นเองสันติทิโกแปลว่าเห็นเองแปลว่าเชื่อเองสันทิทิโกพระอนาคามีสันทิทิโกพระทหารพระทหารเรียนสันติทิโกจบแล้วคือเห็นชัดว่าไม่มีโลคไม่มีโกธไม่มีหลงไม่ได้มาเกิดแก่เก็บตายอีกแล้วอันนี้เรียกว่ามหาสันติทิโกตอนชุดท้าย ข อ, ร พ, ร พ, รรอพระพุทธศาสนาส่วนสันทิเทโกพรัสดาบันเป็นโลกุตระเบื้องต้นหนึ่งไม่เสียดายล่วงละเมิดพระพุทธศาสนาไม่เสียดายอยากจะถือรัฐเอื่นทําไมจึงไม่เสียดายอยากจะถือรัฐเอื่นเพราะเห็นชัดเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นสักกยะทิฏฐิไม่ถือตนถือตัวในพระพุทธศาสนา วิกี้คิดฉาไม่ลังเลคำสอนพระพุทธศาสนาศีรพัตปรามาศไม่โูคคร่มพระพุทธศาสนาเลยนี่เรียกว่าสันทิเทโกเบื้องต้นของพระโสดาวันพระโสดาวันปิดประตูบาปแล้วพิประตูสัตติรัฐานเปิดอสุรกายสัต์นรกมีคติเกเป็นสอง ไม่มนุษย์ชั้นสูงก็สวรรค์เป็นโลกุตระมนุษย์ด้วยเป็นโลกุตระสวรรค์ด้วยไม่ใช่โลคีเป็นบุญโลกุตระด้วยเป็นศีลสมาธิปัญญาในโลกุตระด้วยแต่โลกุตระเป็นเอกเทศในชั้นพระสวดาวันนั้นไม่ใช่ได้เรื่องละเมิดพระพุทธศาสนาไม่ใช่ได้เรื่องละเมิดศีลห้าด้วยไม่เสียได้เรื่องละเมิดอบายยมุกด้วย ไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกระพันด้วยไม่เสียดายอยากจะถือเลิกดีงามดีด้วยไม่เสียดายอยากจะจองเวรท่านผู้ใดด้วยไม่เสียดายอยากจะคบมิดทั่วด้วยถ้าเขาเอาโซรามาให้กินพระสวัดาวานจะมีวิธีแก้ไขเขาอย่างไงครับขออภัยผมเป็นโลก โรคอะไรเราไม่อธิบายโรคคือความไม่พอใจนั่นเองคือบาปนั่นเองแล้วก็คือเสียทรัพย์ก่อการชือได้ว่าเกิดโรครากต้องตเตรียมไม่โดยจักอายทอนกำลังปัญญานั่นเองคือไม่มีประโยชน์เลยแม้แต่นิดเดียวมีแต่ภัยรุนรนมีแต่ทุกข์นรุนเห็นดิ่งลงอย่างนั้นจึงไม่เสียดายร่วงละเมอครับพอแล้วขออภัยด้วย อย่างมากเขาก็เทรถหัวแล้วก็ยอมให้เขาเทซะที่หลังเขาก็ไม่เอาเรื่องนั่นเราอย่าไปโกรธให้เขาวิธีเลียกเลี่ยงก็เลียงเลี่ยงอย่างนั้นไม่คบเม็ดชั่วแต่ไม่ให้กระเทือนเขาไม่จองเวรท่านผู้ใดเขามาทำผิดก็โกรธอยู่แต่ไม่ถึงกับจองเวรเออนึกในใจว่าถ้าเคยทำผิดเขามาแต่ชาติก่อน ก็ให้แล้วกันไปซะนึกในใจอย่างนั้นถ้าเขามาเก่อใหม่ก็ให้แล้วกันไปซะหรือเราไปพราดเขาก็ให้แล้วกันไปซะเราจะไม่จองเวรท่านผู้ใดนั่นภาศาศาศาศาูมิพระโสดาวันนั่นอยู่ที่ไหนนี่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ผู้พูดและผู้ฟังด้วยไม่ไม่ได้ไปอยู่ที่เด่นฟ้าอากาศทีนี้ไม่เสียดายอยากจะฆ่าขายมนุษย์ ค้าขายสัตว์เป็นเลยเนื่อสัตว์ที่ตัวค้าเพื่อเป็นอาหารไม่เชียดายอยากค้าขายหน้าเมาไม่เสียดายอยากค้าขายยาพิษสิ่งไหนไม่เสียดายเรื่องละเมิดสิ่งนั้นก็ไม่หนักใจเราไม่เสียดายเรื่องละเมิดลงลุยล้วมฐานพเพลิงมันหนักใจไหมมันก็ไม่หนักใจเราไม่เสียดายลงลุย หลวงโมทโคดมันหนักใจไหมมันก็ไม่หนักใจทําไมจึงไม่หนักใจเพราะเราเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์มีแต่โทษนล้วนเรียกว่าส ม, มาทิิเห็นชอบเบื้องต้นเห็นอันนี้จังชัดอีกเท่ยด้วยได้ๆในโลกล้วนอันนี้จังได้ๆในโลกล้วนทุกขงังได้ๆในโลกล้วนอนัตตาไม่ต้องสงสัยเลยนาะทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วย ทำดีก็ไม่ได้ทําดีเพื่ออวดให้ฐานรักษาศีลภาวนาก็ไม่ได้ทําเพื่ออวดทําเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏจัสงสารทั้งนั้นกราบสามหนก็ไม่ได้กราบหลอกกินขนมเขาไม่ได้กราบเพื่อเป็นพิธีอยากจะให้เขาว่าตนมีข้อวัดกราบเพื่อเพื่อนทุกข์ในวัฏจัสงสารกราบลงข้งที่หนึ่งข้าพุทธเจธรมโมสังโฆนิพพานังเพื่อส่งเสริมต่อเติมพระิพานไม่ได้เพื่อ อ, อื่นอื่นเลย นั้นเจตนาของท่านเป็นโลคุตระแล้วพระโสดาบันเป็นเอกเทศพระชกาาคามีก็ละเอียดไปกว่านั้นพระอนาคามีไม่เสียดายอยาจะโรคโกรธแต่หลงของท่านยังมีอยู่บ้ากามไม่ตกความตรึกและส่งเสริมไปทางกามไม่มีพระอนาคามีพระยาบาทไม่ตก ความส่งเสริมไปทางพยาบาทไม่มีวิหญิงสาเวียตกความส่งเสริมในทางเวียดเบียนไม่มีที่นี่จิตของท่านก็อยู่สบายสิ่งไหนไม่เสียดายร่วงละมืดสิ่งนั้นท่านก็ไม่หนักใจ